สิกขาบทที่8เรื่องพระชัพพคี583สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชิัพพคีนั่งมองดูที่นั้นๆในละแวกบ้านพระบัญญัติ8พึงสำเนียกว่าเราจะมีจักสูตรทอดลงนั่งในละแวกบ้านเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพัง